พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่1กันยายน2555มีชื่อเรื่องว่าอยากให้ลูกดีต้องทําดีให้ลูกดู พระในทินคูบาอาจารย์ทั้งเฮ้าก็รู้สึกว่าลายอยู่ด้แต่ลงไปไปทินอื่นหรู้สึกว่าน้อยไปถินอื่นรู้สึกว่าน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัดปลาวัดปลาของเฮ้าเนี่ยพอผมมีคูบาอาจารย์มีแต่ไฟประยัดแค่ส่วนมากแต่ทั้งอุอรรของเฮ้าเนี่ยอำเภอบ้านผือเด่นหลายบ้านผือเนี่าานนมากกว่า บ้าเมื่อกี้เนี่ยบานผือมาหูหลายหลายร้อยองค์อำเภอบานผือแต่หน้ายุ่งเนี่ยกับน้าโสมหน้ายุ่งบ้โหจักปีนจักเป็นเท่าไดรเมื่อนันเจ้าคนาอำเภอบ่อบ่อได้มาบ่อได้มาวัดหลวงพ่อเละบ่อได้ามแต่บ่อปั่นน้ำโสมเนี่ประมาณเท่าไร่ร้อยหรือสองร้อยพระจำพรรษาปีนี่แต่สังคมเท่าไหน เออโดยมากกับเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ท่านอาจารย์ยาอ๋อเ็ยังควบคุมนั้งสามอำเภออยู่ไหมเนี่เจ้าคณะอำเภออาจารย์ยาควบคุมทั้งสามอำเภอคนน่ ะ, น ะ, ออนนนะเป็นเจ้าคณะอำเภอสามอำเภออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพตา สองเพือเบิกหน้าโลกรานหน้าไหวพระสวดมนต์นันงพระวานาปฏิบัติศีลธรรมหลวงพอ่อมีหนังสือเล่มหนึ่งแจกสงสัยเมืตัวันหนังสือเล่มนี้แจกในงานในงานของวันเกิดหลวงพ่อเขาพิมมาอีกเนี่ยพิมมาอีกประมาณทั้งสองส า, สามพันเล่มอพอก็แจงเองคนละ อันนี้เป็นว่าหนังสือเรียนี้ว่าพระคุณของบิดามารดาพระคุณบิดามารดาหลวงพอกิตวาข้านาวาพักบาวบคุบาอาจารย์บาวาเรื่องพระคุณของพ่อของแม่ยั่มีผลอะไรบ่าวเลเบื้งสังเกตุไปลยยั่ามีผลอะรบอกพราะเห็ุไดข้านพ่อบาโอ้ยลกูกเศ้าจเจ้าสร้างบูญจากบุญคุณของพ่อของแม่ววเถอโอ้ยะบ่าเลี้ยงมาแล้วทับทาเล็กหน่อยหลุกล้านเขากติวาจังสัตย์อี พ่อแม่ก็จักสิวาจาิตไหอยากบ้าอยากสอนอยู่แต่การสอนในยันเขาย้อนสอนมันไว้เออก็เลยประกาศบอกว่าได้ไปไประชุมนักวิชาการต่างๆบานนี่ก็จะบอกแต่เรื่องวิชาธรรมะหาเรี่องฉีพวิชาหนนวิชานี้เรื่องนั่นเรื่องนี้ไปก็เ่ามีโปรายว่าเพื่อนต้นกําเนิดและต้นกําผืดของเฮามาจากใสควรจะหูจักบุญคุณจังใดพ่อแม่มีบุญคุณอุปกราระคุณกระเพ้าจังใด พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระคุณจังหดสำหรับเเ่้โดยมากจะพอมีผู้ใดบานอกจากพระสงฆ์ศีบาขก้นพระสงฆ์เบาๆะะมัดหมองิบีบออีกขึ้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเได้บอเวลาทรงการก็ดีเวลาปีใหม่ก็ดีหลวงพ่ อ, อเออลูกหลานพวกเเผ้าอย่าลืมเจ้าของเนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือประเทศชาติบ้านเเ่บ้านเมืองของเเผ นับถือพระพุทธศาสนามีผันบัณพบรุษของเข้าที่ปกป้องประเทศชาติมากอันนี้ก็คือชาติศาสนาก็คือพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจําชาติมาตั้งแต่พอคุณศีอินทราธิดพอคุณรามกําแหงและก็กรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์เป็นปกป้องประเทศชาติมากเบิร์นโล ประเทศชาติชาติไทยของเขาเนี่ปกคล้องมาโดยถ้ำมีศาสนาพุทธศาสนาพวกเขานี่เบรนด์วัดว่าศาสนากรุงศรีอยุธยาไอาเรื่องพม่ามาลบ ม, มาตีกบ่วากันละเพราะพวกเข้าทะเลาะกันสมัยนั้นทางศึกษาคนน่ะเป็นอยังพม่าะจงมาตีเมืองไทยแตกเข้านั้นก็เพราะเมืองไทยทะเลาะกันผู้หน่อยก็เป็นผู้หน่อยผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่แข่งดีกันเขาก็เลยมาตีกันยังคู่มือนี่แหละี่ เอ่เม <kiem> ืองไทยปกครองของมือเนี่ประชาธิปไตยเอ่ผู้ใดไปจะได้ก็โ ho ผู้ใดไปทั้งไห้ก็โ h พคนเราไปเอ่บ่ให้เกียรติกันบ่ให้สักให้สีกันบาท่าตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาไปใส่ก็โห o คือเกล้าไปเนี่กรรมวันนั้นมพวกไปใส่มันมาหาเจ้าของสรุปเลยคือประเทศชาติของเขานี่บ่เป็นเอกภาพบ่เป็นเอกฉันแตกแยกสมัครขี้กันผู้หน่อยบ่เป็นผู้หน่อยบ่เป็นผู้ใหญ่บ่เป็นผู้ใหญ่ คือจุดนี้เป็นจุดดอยของชาติไทยของเฮ้าเดี่ยวนี่วนลงไปเอีคณะนี่คัณว่าเมืองไทยของเฮ้ามีความพร้อมเพียงสมัครขี้ผู้ใดเป็นใจก็เออซอยเหลือกัน เ, เบิงกันเกื้อกูลโ น, น้นกันนับเคารพนับถือกันหลวงพ่อว่าประเทศชาติจะไปได้คือกันครับนี่นะให้พวกเข้าคิดบ้างนะว่านักฟุตบอลของเมืองไทยนี่บอกเก่งเพราะเหตุใดเพราะว่ามันเล่นงานเป็นทีมเอ่อ มันมีโกมันมีแบกแล้วก็ปีกซ้ายขวาแล้วมีกองหนาเออขั้นฮักว่าเอ่อซ้ายขวาเนี่ยเออบอลทรงให้ให้กองหนาเป็นหมดอะเออเรียกว่าแบกเนี่ยบอลามนาทีเต็มทีโกเนี่ยกับป้อยเขาก็เตะ เ, เข่าเข้ากันเป็นผู้แพ้อ ย, อยู่ตลอดขึ้นกันคาราวาพวกเข้าเข็แขมแข็งทุกค้อมันไปมีนาทีซอยกันมันไป ไอ้พวกบ๊กเนึ่ยเตะให้ปีกไส้ปีกไส้ก็หาลบก็ส่งให้กองหนา้ากองหน้าก็ไปยาปะเตะเขาโกเขาอะไรไปคล้ายๆว่าท้ำนาทีให้ดีที่สุดแต่ละนาทีให้หูจักษ์นาที่เจ้าของโปร่งล่งพอว่าประเทศชาติบ้านเมืองรุ่งโรจ น, นี่เฮ้ยกูสิเตะไปเนี่ยเตะไปให้กองห น, าน้าประธานกองหนา้าเตะได้มันได้นาทีซื้อเออมันได้หนาทีาต่อกองหนา้า เออกูจะโป๊ะเตะให้ะบาท้าก็เขาเตะมาวันน้เขาโก้เขาจะขอวันนี้ขายหนาบัตประเทศบาทเออมันบอกเป็นขายหนาแต่ผูดนั้นเพราะไอ้นั่นเรื่องโมงนี่คือกันลงพว่ารที่พวกเข้าทะเลาะวิวาทกันหรือว่าบ่อผอมเพียงสามขี้กันเลยถ้าพ่อความอิจฉากันยันพูดนั่นได้นะยันพูดนั้นได้ดีผลีนสุดกร็เลยเสียหายทางประเทศ ทั้งบ้านทั้งเมืองแต่คู่มือนี่ติดลงพ่อเบิ่งๆอันนี้ก็คือชาติศาสนาก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คงเสียนคงว่าพวกเข้าคิดบ้างรึพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไปสองพันกว่าปีให้ท่านเนอะรักษาศีลเนอนะภาวานาเนอเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ท่านพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าคนเข้านี่บ่มีท่านบ่มีนําใจต่อกันไปหากันบ่มีนําใจต่อกัน มิตรกีตาดีทีเหนียวปูร่วยแวก็บรจักษ์สางลุ่ลําุ่มเรียงเนีเบรจักษ์สางล่งพยาบาลบริจักษบ่มีน้ำใจสางสาธารณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่พ้นที่ยากจนกว่ามีตรกอบมีตรโกยเออแล้วก็แน่ไดสี่ห้างที่มีขูดลิดพี่นองประชาชน่นอีกต่างหากและประเทศชาติในยุคนั้นสมัยนั้นและชุ่มชนในกลุ่มนั้นจะหาความสุขสบายหาความล่มเย็นเป็นทุกแต่ยาก แต่ว่าผู้ใดลาลุวยขึ้นมาแล้วก็เออเอามองพีมองนองมองลูกมองล้านมองประเทศชาติบ้านเมืองสี่ซอยเหลืออีหยังใดลงหลับลงเลี่ยงรงพยาบาล อ, อ, อ, อาณาไม่ถนนโหนท่างเออสะพ่งสะพานอีหยงังขาดเหลือขาดตกซอยกัดต่างคนต่างซอยคนละไหม่คนละมือคนในยุคนั้นคนมียุคที่มีนามใจคนที่ยินดีในการทาบุญทาท่าน คนในยุคนั่นก็ล่มเย็นเป็นสุขพราะคนมีน้มใจถาว่าคนมัมีนามใจในยุคใดยุคนั่นเดือดร้อนอันนี้ก็คือท่านศิลก็ ค, คือกันคันว่าคนยุคใดสมัยใดเ่าะมีกฎเ่ามีอะเบียบอยู่รํากันเ่ามีกฎหมายคุ้มคล้องเนีอยู่ร่วมกันกับแบบเอารลัดเอาเปรียบกันผู้ใดมีอํานาจเหนือกว่าก็ใส่อํานาจคู่เข็นบังคับหรือว่าใส่อํานาจไปในทางทีผู้ถูกต้องอันนั้น ในยุคนั้นสมัยนั้นก็เตือเลอดล่อนอีกขึ้นกันเพราะผมมีกฎผมมีระเบียบอันนี้คือศีลในหลักของพุทธศาสนาคือศีลศีธาของพระพุทธเจ้านี่คือกฎคือระเบียบด้วลูกหลานชดใช้ญาติโยมนะไอพวกสู้เจา้าจะขากันเด้อนะสิในหลักศีธาคันว่าเฮ้าไปคาผู้อื่นะ่ะไปคาเขาคาพี่น้องลูกหลานของเขาหรอเขามีความรู้สึกอย่างไรเขามาหาคาพี่น้องลูกหลานของเขาหรอเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาดีใจเพราเขามาคาเฮ้า เขาก็เสียใจเมื่อเข้าไปเสียใจเข้าไปทําให้ผู้อื่นเขาก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั้นให้เคารพซีดจึงกันและกันเนอให้รักกันไว้พอเขาก็หักกลุ่มของเขาเขาก็หักกลุ่มของเขาอย่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนจึงกันละกันอธิษฐานท่านขึ้นกันอย่ไปขโมยของผู้อื่นเขาเนอคันว่าขโมยพ่อแม่พี่น้องหลูกร้านเขาไปเรียกค่าไทยยังสิเขาเสียใจบอสเขาขโมยของเขาเข้าเสียใจว่าเขาก็เสียใจ เขาโมยง้อเขาโมยควายขาโมยรถล่าของเฮ้าเขโมยสิงของของเฮ้าล่องเท่าของเฮ้าเฮ้าเสียใจบ่เสียใจเพราะนั้นห้าขาโมยของผู้อื่นเขาเสียใจเขาเขามาขโมยของเฮ้าก็เสียใจเพราะนั้นญาขาโมยกันเนอพระพฤติเจ้าคนว่าให้เคารพซีกันเอาหัวใจเขามาใส่ใจเฮ้าเอาใจเฮ้าไปใส่ใจเขาขันเฮ้าเป็นของเฮ้าหรอเฮาเสียใจบ่เสียใจเขามาเป็นของเขาห่ะเขาเสียใจเขาก็ต้องเสียใจเพราะนั้นญาลวกเกินกันให้เคารพซีกัน การเมสุมิาจาย์คือกัสามีภรรยาหลูกหลานขอกไกเขาก็รักสังวีนหวงแหนถ้าเข้าไปกะซากลากถูไปคมนําจิตนําใจเขาเเขอรบซิดของเขาหนึ่งเขาเสียใจพี่น้องหลูกหลานของเขาสามีภรรยาหลูก อ, อของเขาเขาเสียใจพรานัญญาให้รบซิิดจึงกันและกันเน้อคอที่สีมุษย์ายขี่ตัวกันเน้อแต่พูกได้ขี่ตัวกันต้มตุ๋นหลอกล่วงกัน ชิปหายเนะบางที่เห็นหมวดต้มตุนหลอกล่วงกันผู้นั้นเอาอันนั้นไปหลอกคนอีกเอาเล็กไรบอกไปหลอกเขาบอกเอาเงินเขาบอกเอาของเกอไปหลอกว่าของจริงบอกจริงสิไปต้มตุนหลอกล่วงเขาเอาเสียนเช็คให้เขาบอกเป็นเชคเด้งเชคโมมีในเงินบมมีเงินในธนาคารจริงสิล่วนแรกจะเป็นขี่ตั๋วถามก่นแล้วมันเป็นยังไงบ้าคนขี่ตั๋วเต็มบ้านเต็มเมืองล่ะ ขันท่าไปกี่ตัวเขาเขาก็ถูกใจเมื่อเขาไปตุมเงินของเขาละ่ะเขามากกี่ตัวเฮ้าขึ้นกันเออมาตุมตุ่นหลอกล่วงเฮ้าละ่ะเอาเงินของเฮ้าไปละเฮ้าเสียใจบะเฮาก็เสียใจขึ้นกันพราอนั้นพระพุทธเจ้าพูดว่าเอออย่าไปขีดตัวอย่าไปตุมตุ่นเขาเลยเทวมุสาวาทาเวรีรัมนีขอทิหาสุราเมระยะมัชชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่าไปกินเหล่าเนะ อย่าไปกินขั้นชายาฟินอย่าไปฆ่านะอย่าไปฆ่ายาบาดยามาเนอะข้าไปฆ่ายามายาบาดขึกัดขั้นชายาฟินคือกันในเมื่อเข้าไปฆ่าแล้วบ่เนี่ยเข้าไปขายให้ลูกให้ร้านเขากินลูกร้านเขาติดยาบาดเพราะเป็นติดยาบาดบ่เนี้ยเป็นยังไงบ่เนี่เออถ้าเป็นถ้าว่าเป็นยังลูกร้านของเขาล่ะเออพอบ้านแม่บ้านติดยาบาดเนี่เป็นยังไงเออ นี่แหะอันนี้คือสุราเมรยะมัชชาข้านว่าถือเจ้าของของเจ้าของ จ, องจังคอยหูข้านว่าถือผู้อื่นเจ้าของกรดีใจพรได้ขายให้เขาค้นว่าถือพี่น้องลูกหลานของเข้าหรือปานบาร์ เ, าเ้าเข้าเถาแก่ชรล่ามาบัดเข้าเคยอยากขายยาบ้าให้เขายาหมาให้เขาขั้นช้ายาฟินให้เขาพ่อเขาติดบาร์าท้าเข้าเ่าม้าบัดลูกหลานของเข้าติดยาเมา่าเม่ายาบ้ามากเออเตะการคอเข้าบัด เพราะมันบาปกรรมอะมันไปใส่เด้มันมาหาเจ้าของเลยซิ่งโมนีมันต้องได้คิดขึ้นกันเด้เพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับผูกกับหลานนะคนที่ติดยาบ้ายา마แล้วคนที่ดื่มสุราเข้าไปขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเนี่ยทําความชั่วดีทุกอย่างเพราะเห็นได้คาพ่อคาแม่ก็ได้ยังพวกเข้าเห็นคาพี่คาพี่น้องก็ได้่าลูกคาหลานก็ได้เพราะมันขาดสติคโมวยพรอะไรอีกพราขาดสติ ลาาปละรวขสามีภรรยาลูกหลานไผ่กระไรอีกพราะขาดสติขี่ตัวไผ่กระไรอีกขาดสติเนี่ยแหละคนที่ขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างอันนี้คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันต้องให้เขามีศิทธต้องมีกฎต้องมีระเบียบพฉนั้นขอให้พกเข้าลูกหลานทุกขูทุกคนนะให้มีกฎให้มีระเบียบให้มีศีลสรุปแล้วให้มีศีลนี่เรียกว่าปานาอธินากาเมมุสาสุรา นี่แหะคือศีลหาคือกดหมายก็ว่าไดกดระเบียบก็ใดกฎมูก็ว่าไดความรลมเย็นเป็นสุขก็ว่าไดคือกฎหรือศีลเรื่องธาตุคืออะเรื่องสมาธิแต่ไหนสมาธิคือคือทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาเปิ่นสร้างสอนเอาไว้ถ้าใ้มาพูดถึงเรื่องพระคุณของพ่อแม่บ้านพระคุณข้ามเนย์เนี คือขุนเจา้าฟากมหากษัตริย์อีกส่วนหนึ่งที่ปกครองประเทศชาติฝานเมืองของเข้าพระเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศชาติพวกเข้าต้องมีประวัติศาสตร์เป็นผูด้ดูแลประเทศชาติชาติไทยของเข้าเ่าเป็นขีดขาประเทศอื่นเพราะเหตุใดพวกเข้าได้คิดบ่าเมืองเล่าก็เป็นเมืองขืนของฝรั่งเศสคําเห็นก็เป็นเมืองขืนฝรั่งเศสเมืองย้อนก็เป็นเมืองขืนฝรั่งเศส อ, อินโดนีเซียประเทศใหต่าง ในประเทศเขาก็เป็นเมืองคืนของอทังฝ่ายโปรตุเกสทั้งฝุ่นห่อนแล่นและอิโดซิงกาโปมาเล่พมา่าเป็นเมืองคืนของอังกฤษย่งเหลือแต่เมืองไทยอ่อมป่องมาที่เป็นเมืองคืนของเขาเพราะเหตุไดมันต้องมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้เพราะว่าราชการที่หาที่เป็นผู้ปกครองประเทศในยุคนั้น พันแลนดผุนแลนด์ผี่เพื่อเอายกประเทศของเจ้าของไว้เป็นขีดขาของประเทศอื่นพอประเทศอื่นเขาถึกเย็ดหมดแหละเป็นขีดขาของเขาหมดแหละเมืองไทยของเขาเนี่เออแลนดไปเพิงเยอรมันแลนด์ไปเพิงรัสเซียพราว่าแลนด์ไปเพิงอังกฤษกับอะไรเนีฝรั่งเศสตอาเออไปเพิงสัตตูใช่ไหนมี้นเขาสี ม, ม่วงเขาปากเนะี่มิเป็นแลนด์ไปเพิงเขาพวกนั้นเขาก็าปกปลอกไวเออประเทศไทยกําลังพัฒนา อย่าไปแตะนะ่ะเป็นหมู่มูเพื่อนของเฮาเนะ่ะบ้านในเมืองไทยก็เลยหลอดพ้นจากการเป็นเมืองคืนของอังกฤษและฝรั่งเศสนี่แหละเพราะเหตุใดเขาเพราะว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเฮาเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเอาไว้นี่แหละอันนี้คือคุณค่าของประเทศโอ้ยนาเสียใจไว้คข้าแม่นเป็นขีขาประเทศอืน่น คือประเทศเล่าประเทศแคมป์นี่ประเทศย้นประเทศพม่าแถวนั้นทิฏีแล้วแม่เดี๋ยวนี้พ่อยไหตดเพราะเมืองไทยเข้าบอกเก่งภาษาอังกฤษขั้นเข้าเก่งคานว่าเข้าได้เป็นขีกาเขาเนี่เมืองไทยเขาจะเก่งภาษาอังกฤษสิเสียใจจังสันบอกเออเพิ่มเป็นผู้ใดได้จะเป็นจังสันเออเสียใจมากๆเลยพอเข้าเมืองเมืองเข้าพอได้เป็นขีกาเขาพอเข้าบอกเก่งภาษาอังกฤษเออคานว่าเข้าเป็นขีขาเขาเนี่ย มันฉีเกเงภาษาอังกฤษกว่านี้แล้วแม่ลงพอนี่บ่แล้วบ่เขานัมาน่มมันออไปอยากเป็นอิสระออกไปนับว่าเมืองไทยของเขานี่เป็นประเทศที่อืรัฐการที่หาพระเจ้าแผ่นดินของเขานี่เป็นผู้มีปีชาสามารถจริงๆเอาประเทศชาติหลอดพ้นจากปากเียวปากก า, มาไม่ได้น่าจะยกย่องเชิดชูบูชาเพราะประเทศไทยของเขานี่มีความเจริญก้าวหน้มาถึงจุดนี้แล้วประเทศไทยของเขานี่เป็นจากไดน ด้อยกว่าเขาใช่ไหมบอ่อแล้วมีแต่คว่ำท้าแต่ว่าเอามาประชาคมอาเซียนที่จะเขามาสองสามปีข้างหน้าเนี่เมื่อไท่ของเขาเนี่ต้องน้ำนาลงพอว่าต้องน้ำนาเขาเนทางว่าเมื่อไท่ของเขาเนี่ย่งยา ง, ยงน้าก้นเขาเนี่แสดงว่ารัฐบาลชุดใดก็าตามเลยชกที่จะเป็นนี่แย่มากเลยเทั้งที่ปูญญาตายง่ายมากปกป้องประเทศชาติมาก คือลังคานาที่แหละมาถึงยุคของเข้าเลยในยางน้ากลประเทศที่เขาหาก็เป็นเอกราชษณอแสดงว่าประเทศชาติของเขานี่แย่มิแต่ทะเลาะกันบ่มีภูใหญ่บ่มีภูยยน้อยบ่มีสูงบ่มีต่ า, าบอกขรรสิษย์ซึ่งกันและกันเห็นแต่ทิฐิม่านะอิจฉากันอิจฉ า, าตาเหลือกันจนประเทศเดินหน้าบ่ได้เซิงโมนีมันต้องตํานี้ตํานี้พวกเข้าเองมันเอาไปตํานี้เพื่ออย่งางตํานี้เพื่อให้ําทุกคน สำนึกมหาตัวเองให้มองตัวเองให้ทุกคนให้มองตัวเองอย่าไปมองผู้อืน่นเออย่าไปมองคนในแง่ร้ายหลงตามมหาบัวพันวาจนใดเออขนเท่ามันต้องนี่ดีมีบอดีอย่าไปมองกันในแง่ลายให้มองแง่ดีเอาไว้กันค้นมองกันในแง่ดีแล้วนั่นแหละต่อไปก็มันก็จะมอง่งมุ่ง ม, มองต่างข้นต่างเกลือกูลหนุนกันผู้หนึ่งได้หนึ่งผู้หนึ่งได้หนึ่ง แมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองประเทศชาติก็จะลังลายไปได้แต่ทุกวันนี้เบื้องลุประเทศชาติที่มันบัท่านเขาก็เพราะว่าคนในชาติทะเลาะกันแต่ว่ามันขาดอ้อย่างบัวในประเทศบอมีแนวขาดเขาน้ำพ่อชนะอาหารโป้ชมรณ์บริบูุนโลงงานผลิตอ้อย่างมีมากคันว่าน้ำท่วมน้ำท่วมเพราะเหตุใดกรุงเทพพอน้ําท่วมพอนักการเมือน ก, กอนักการเมืองนำไล่นักการเมืองมันไปลงพอวานใครมาถามเลย ปีนี้น้ำสิทวมบอกบวชทวงหรอกปีนี้เพอะ ป, ปีที่แล้วนักการเมืองเข้าไปแล้วมันต่างคนต่างดันกันพล น, น้ลาไหลใส่กันพุ่น่ะสี่เอาน้ำคัดไปพุนกก่นนะภาคตะวันออกพุ่นนะบพรห้นน้ำไหลลงแม่น้าเจ้าพระน้ำแม่น้ำท่าจีนให้เป็นน้ำพุน่นเปไปไหลขึ้นหลังเขาใหญ่พุ่นนะมันก็เลยน้ำท่วมกรุงเทงเพเพพนื่องเพรเห็ุใดเพราะพวกไหนพวกนักการเมืองอะไรคันบุนักการเมืองกานฟั่งพระเจ้าแผ่นดิน ที่เพิ่นดูแลเรื่องน้ำเรื่องแผ่นดินเพิ่นมาเนี่เพิ่นกับทบอกมึงว่ามันไหลตั้งตํงนาน้ำมั้งไหลตั้งตําเออมื่อก็แล้วอันนี้นักการเมืองว่ายไหลไหลไปไปเสียผลประโยชน์เจ้าของก็เลยเห็นไหลขึ้นหลักเขาใหญ่วนไมันก็เลยน้ำถ่วมกรุงเทพว่ป็นายางหอกปีนี้เข็นโทษ น, ทนั่นแหละน้ําพราถ่วบมันหลวงพ่อวานนะอันนี้ก็เห็ฟังฟั่งไว้นะหลวงพ่ออาจจะบอกเกินไปวนไป อ, อ, อันนี้ก็คือประเทศชาติบานเมืองของเขาก็จะเป็นไปได้ ต้องพ่อมเพียงสามัคคีกันและติมาพูดถึงพ่อแม่บ้างพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณเข้าเกิดมาจากไสายบ้างหรือหลวงพอ่อว่าวทีแร้ว่าปาลบถึงพ่อแม่พระคุณของบิดามารดาเข้าเกิดมาจากสาเข้าเกิดมาจากโกนไม้ไพบ่บอกคือจอมปวกหรือพ่อใหม่โกนใหม่เข้ามาเกิดมาจากทองแม่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนี่พ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นผู้ดูแลเข้ายังเข้าทุกคน ที่ม่านางต้อหนาลงพ่อเนี่ยก็มีลูกอยู่แล้วเลี้ยงลูกได้ยากขนาดใดอก่อที่เป็นผู้ใหญ่ึ้นมาใดเข้าเนี่ยก่อนที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้พ่อแม่เลี้ยงเข้ามายากขนาดใดก็คือบอกแพ้พวกเข้าเคลื่อนเพราะนั้นเพื่นอนบอกพ่อแมเออ่เป็นทิศเบื้องหน้าคือเข้าเกิดขึ้นมานี่เข้าตื่นคือ่าแยกมือสองนี่พอแล้ ว, ลวพ่อเขาตื่นคือมาเขาเห็นแสงพระอาทิตย์สดเด้อโอ้มืัอนี่เป็นมือไหม่แล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่ อั้คือกันพอเขาเกิดมาเนี่ยพ่อเขาลูซึกขึ้นมากเริ่มตาขึ้นมากทีแรกเขาก็เห็นหนาพ่อหนาแม่เขาก่อนนี่แหละพ่อแม่เนี่เป็นทิศเบื้องหนาคือกับพระอาทิตย์จากนั้นพ่อแม่ก็สอนเขาหลายว่นเนี่ยพอเขาลูจักรู้ซึกเดียงสาภาวะพ่อกระดุกกระดิกได้ทีแรกก็บอกหูจักอย่างทั้งขี่ทั้งเหยียบใช้พ่อแม่เพิ่งกระเบาะเนี่ยเพิ่งกระเสร็จเพิ่งกระล่างท้องหอกทั้งให้ ตอกกองตักแงตักแงตักแงเพื่อนก็ไม่แต่อู่ม่แต่อย่างมันเป็นอย่างมันยังหาเพื่อนก็ไม่แต่เบึงคือกันก็เผาเลี้ยงลูกเพื่อนเลี้ยงเข้าก็คือกันนี่แหละต่อมาเพื่อนก็เลี้ยงจนหูจักเอป้อนเขาป้อนน้อแล้วก็เอิดเปลาเปลี่ยนบัตรพอเปลาเป็นเพื่อนก็บอกอันนี้แมนเนออันนั้นพอเนออันนั้นพีเนออันนั้นนองเนอรเพื่อนก็บอกปีป่านาอาสอนให้มด เนีในสีเว้าได้ในสีหูจักเพิ่งว่าพ่อแม่เป็นบุพคาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุทธิดาเพิ่นวายจังสันเลยพ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกของบุทธิดาเอเพิ่นว่าพ่อแม่เป็นพระรหัสของบุตรบางค้อนวดมาถามอียบันมาถามหลวงพ่อเป็นอย่างหลวงพ่อเพิ่งว่าพ่อแม่เป็นพระรหัสของของพุทธิดาเออผมบ่แมันถึยกสูงเกินไปใช่บอกเหมื่อนยกสูงเกินไปมั้งผมว่า บอแมนจะพิยกสูงใดจังใดพ่อแม่เป็นพระรหันของบุตรธิดาก็แม่นแล้วเนี่พันธบอกว่าพ่อแม่บอแมนพระรหันของทุกคนเพันธุ์บดีวาจังสันเลยพันธุ์บอกว่าพ่อแม่เป็นพระรหันของบุตรธิดาก็ฟังดิสิคณาว่าเข้าเกิดมาจากสาเขาเกิดมาจากพอ่อจากแม่กับพ่อแม่ของเข้าเนี่เป็นพระรหันเมื่อพระรหันของเข้าก็ได้ ใ, ให้ปฏิบัติให้ถูกนะ ขั้นพอไรปฏิบัติบอกถูกผู้นั้นเป็นบาปเป็นกรรมเลยเพราะเหตุใดเพระพระพุทธเจ้าพูดว่าอนันตริยกรรมห้าอย่างมาตุคาตฆ่ามดาปิตุคาตฆ่าบิดาอรหันตคาตฆาพระหันโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้ายังพระโลหิตให้ห่อสังฆเพทยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายอันนี้คือบาปนัก่าพอคาแม่คาพระหัน์ทำลายพระพุทธเจ้ายังพระโลหิตให้หอยุโยงสงให้แตกกันอันนี้ บาปนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั่นเป็นว่าขาพ่อกับขาแม่เหมือนกับขาพระหันนี่แหละมันบาปแถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้ า, ดด า, าถบุญคุณกับพ่อกับแม่ผู้นั้นเป็นบุญเป็นกุศลเนะ่าลูกลานนะเน่าอ่า อ, อันนี้ก็คือขอให้พวกเข้าทั้งหลายได้คิด น, นี่คือประคุณของพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีอุปกร ะ, ระคุณก่อนเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจพรระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือท่ามข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้นั่นแหละหลวงพ่อก็เลยยกชาดกมาเมื่อสองพันหาร้อยสี่สิบสามันสงการหลวงพ่อก็เลยบอกเรื่องนีท่านชาดกนิทานมาในธรรมปทธธักกาถา ไอ้แกพีน่นอซัท่ายัดง้อมลูกหลานในศึกษาลงพอวานเนี่นะพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้เลี้ยงดูเฮามากแต่โดยมากเข้าบอลรู้จักปุ่นคุ้นของเพิินเด้เออเข้าเฉยๆไม่เม ย, ย, ย, ย, ย, ย์วันไปไอ้ตามไม่จริงพ่อแม่เนี่ยอย่างในพรรษานี่เอเอเดือนห น, นึ่งเนี่ยเข้าควรจะไปกราบผ้าลูกของเข้าไปกราบพ่อตาแม่ยายวันเสาร์อยู่ใกล้กัน เอ่อหรือว่าวันอาทิตย์ผ้าลูกผ้าเมียไปกับพ่อปูเมย่ยาใครกล า, า, าไปกับพ่อตายไม่ยากก็คือพ่อเมียเอ่อข่าววัไปกับพ่อปูเมย่ยาก็คือกับพ่อผัวเอ่อผ้าไปกับไปไหวเอ่ออาทิตย์เอ่ออาทิตย์หนึ่งเสาหนึ่งหรือว่าอาทิตย์นึงไปผู้หนึ่งก็ได้ถ้ามันอยู่ห่างกันแต่ว่าถึงยังไดก็ควรจะผ้าลูกไปกับพอแมนทิออก พ่อวันเสาร e ah ์อาทิตย์ว่าหนึ่พ่อก like ็อ้อเลาะไปหาตีก๊อปบอไปหาเล่นบบกบอกไปหาตีไกล้บอกไปออกนอกลูกนอกทางทางภูเมียนเลกันพูนหาเทียวหันหาเทียวนี่จากนั้นก็พูนห่างทรัพยสินขาดพูนเออปล่อยลูกปล่อยปะลาเลยบอกว่าไปหาปูหายาบัดหาเจ้าของเถาแก่ชะลามากผัดบัดว่าบอกว่าลูกโบหุจักบุญคุนของพ่อของแม่บอกว่าหาเฮ้าจักเถื่อน ทีมาหาข้าวจะได้เพราะตัวเองพอสอนไว้ออยากจะให้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดูอต้องตัวเองตัวภาพไปหาพอหาเมหาปูหายาจังสันมันจะถูกได้ลูกหลานเลยคำหลอกกงเขียนได้ข้าวเฮ็ดปูดีไว้มันบดีมันตามมาหาข้าวเลยข้าวเฮ้าเฮ็ดดีหรอความดีจะตามมาหาเ้าเพราอนั้นพวกข้าต้องคิดไว้ให้ดีผู้ดใดก็ตามพอแม่บอก ย, ยังะอตกฝากหลักดินของได้เที่ยงแล้วรับ บ่ออย่งกะเถียงแล้วลับาร์ธาเจ้าของได้ลูกมากระวังบานเจ้าของบ่ออยังมันเถียงเข้ามัดคุขํามบานนี่น้าตาหน่อยน้าตาย่างระบาดเออห้องหาเออทั้งพอบ้านก็เกิดพ่อแม่บ่ออยังพอบ่ออย่างเนี่บ่อได้เออมีแตตั้งมัดตั้งมั่วเพเ่อเตะพ่อีตั้งหะบารทธาหลวงพ่อก็เห็นเด้หลวงพ่อก็เห็นบ้านหลงพ่อเออพ่อสอนลูกเตะพ่อตกเคลื่อนบ้านบาราต่อมาอีกว่าดนหมดไป บารทาหมอเนี่ยได้แม่ได้ลูกมากเอาแว่อาบ้ลูกเจ้าของเตะเจ้าของอีกหน่อยเออมันบุไปใส่เด้ว่ันอากไปกำหลอกกงเกวียนแมน่นแท้ๆเดี๋ยว่านออไปไอพวกเขาสังเกตพวกนั้นนะที่ลงพอบอกจังสีแล้วนะไ อ, อขั้นผลอะไเทียงพอเทียงแม่มันลูกขึ้นมามันเพียงทำมันวันออาไปเบิ้งโหลดวันอกไปเอบไปใส่หอกนออกไปบ่ว่าแต่ลูกพอลูกแม่เราลูกเิียลูกหาขึ้นไง ขนันพลอยสอบเถียงคูบาอาจารย์บอกยังตกฝากลากข้ามมาเลยถามว่าลูกศิษย์เจ้าของมาไปเออิเถียงเจ้าของนไปลงพอนะแล้วการลูกศิษย์พลอจะมาถเถียงลงพอนี่ลงพอลออกจากวัดตัวเด้พราห้ไดพอลงพอบคยเถียงคูบาอาจารย์ขันคูบาอาจารย์เบาพิเบาถือกันก็นั่นงฟังมนไปเออเพิ่นสืสอนแบบใดเพิ่นอาจจะมีเลเลี่ยมของเพิ่นก็ได้เออของเพิ่นสืสอนเพิ่นถเฮ้าพักจิตปักใจถือว่าเป็นคูบาอาจารย์เฮาแหละเฮาต้องฟัง ฟังฟั่งเพิ่นวันนั้นไปข่าวฟังฟ่งแล้ววันพุ่นอ่ะเข้าเป็นสมผ่านเข้าเป็นออกเป็นโจมผ่านพลนีบเออสมัยอยู่กับคู่บ่ายจานวงนั้นหลวงปูน่นาะเพิ่นบอกตรงนั้นมันโมแมนเว้ยเข้าในพอเห็ดออกแบบนั้นเข้าสีสอนลูกศิษย์เข้าสีผสมสอนแบบนั้นเขาสีสอนเอกแบบนึง่งเอาก็ตึงคืดวาวอะไรแบบตกไปตั้งแต่นี่แหละอันนี้ก็คือกันเรื่องพอ่อเรื่องแม่เป็นสิ่งที่จําเป็นสาคัญหลวงพ่อได้ยกเป็นชาติรกหรือเป็นมาในพระธรำพระทัะทตตะตา มีภาพผู้หนึ่งคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีกรุงสวัตถีก็คือกรุงทีธิ พ, พุทติเจ้าประทับนานที่สุดถึง25ปีในกรุงสาวัตถีในเมืองอินเดียบ้านนี้มีภาพผู้หนึ่งคนภาพก็คือสมัยนั้นมันมีตระกูลไม่มีอยู่4อย่างเลยกษัตริย์พราหม์แพทย์สูตรคือภาพใหญ่ๆว่าใใล่องจากกษัตริย์ออกไปเป็นผู้ถือศาสนพิธีเป็นผู้มีความหลุ่มในระดับจัดการจัดงา น, นอย่างลักษณะนั้นละ่ะ พลามแต่เนี่ก็พลามเพรานั่นกบทำ้าค่าขายันรวยเลเด็กก็จะโกรธโกรธนึงกันโกรธนึงก็คือสิบล้านนไปเออร้อยสิบอยเป็นพันเสิบพเป็นหมื่นสิบมืนเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสบล้านเยเป็นโกรธเงื่อนโกรธนึงกันถ้าคูมือนี้กถึงล้านกันมีโกรธ แต่สมัยประเทศอินเดียนะ่ะโกดธวันไะปนับถึงโกดคือว่าสิบหลานเป็นโกดหนึ่งเลยบ้านในภาพคนเห็นหางินแต่โกดธนึ่งวันไปอพ่อต่อมา ก, ก็ได้ลูกอีกเก้าคนบ้านภาพเลยเป็นผูกขยันวันไปเอได้ลูกเก้าคนลูกชายลวดต่อมาบ้านพอลูกชายกําลังจะเป็นนุมวันไปมันเลี่ยงกันสาบราบคุณมาให้ลูกชายก็ได้อคือจะหัวปีท่ายปีหัวปีท่ายปีลักษณะ น, นั้นถ้าเนี่ยพ่อต่อมาแม่ก็เลยตายวัน พ่อตายลูกไส่ก็เป็นนมขึ้นมาแหละก็ได้ปรึกษากันพี่น้องเก่าคนเอ้พอก็มีเงินอยู่พวกเข้านายจะเอาเงินพอมาทามาค้าขายดีบอเพอพวกเข้าก็มีครอบครัวต่างคนกับพอก็ได้หาหาแฟนให้เนีหาเมียให้ลูกคนน่ะเป็นครบในทุกคนเก่าคนล่ะอพอมีครอบครัวแล้วก็เลยบอกกับพอ่อพอกเงินสิบ เ, เงินโกดึงนะแบงให้พ่อผมได้บอพอพ่อไว้ได้หามาเพื่อลูกนั่นแหละ เอาสุเจ้าเสียวทอด้ยผูพอก็เลยพวกลูกก็เลยเอาขอพูละล้านครับเออเอาหายไปคนละล้าน ล, ล้าน ล, ล้านมันกับเก่าล้านเป็นบ่ละโยนพ่อเนี่ล้านหนึ่งอพอต่อมาเอกนันขอเอกเอพ่อขอเอกขอู้ละแสนก็เลยให้อีกคนละแสนเ อ, อเงินขาดมือหมแล้วต่อมาขอเอกคนละหมื่น อพ่อก็หาบา้านในขอคนละพันพ่อก็หาอีกคนไปบ้านีนเหลือเองินยังพอพันหนึ่งบาทพ่อต่อมาบา้านในเงินยังดูเงินยังพอพันพ่อก็ใส่ไปนในหายหลานไปใน้ย่างไรมันก็เมดหึงตัวเงินพันเดียวเป็นบ่อละพ่อต่อมาพอเม็ดบา้านในผู้พอนี่ก็โย่หน่ำบ้านหลังใหญ่ละบ้านลูกสะพายใหญ่ลูกชายใหญ่พ่อยโย่ไปโย่ไ ป, ไปลูกสะพายใหญ่นน เ, เนี่นยพูดกันแหนกันแหนแล้วในบ้าอใปูของเขาน อยู่กับบานเฮาอ่าอยู่แต่บานเฮาพอไปอยู่บ้านอื่นบานฮาแบงม้อรกแบงทอกันออแบงม้อรกแบงทอกันบานฮาแล้วเอ่าบูเวล่าอยู่ก็อยู่แต่บานเฮาอันนี้ก็คือลูกสะไห้ไงเ บ, า, บาว้าต่อลายเถื่อต่อไายที่เนี่ยพอปูกับโมโหขึ้นมาแล้ววันแล้วไงวยพวกนี้มันบออยากให้กูอยู่น้าตัวเนี่ยออกแบบดีที่สุด ไม่พออยู่ก็พออยู่ละเลก็เลยไปอยู่บ้านที่สองบ้านลูกลูกชายที่แปดก็ไล่เล่าว่าลูกชายที่หกที่เจ็ดที่ห้าที่สีที่สามที่สองที่หนึ่งมันก็นยังมเมาคือเก่กเอาอยู่ลูกสะใภ้อยกไปว่าแบงมัลดรุแบงทอกันบ้านแล้วมาอยู่แต่บ้านเฮาพอได้โชก็เลยไหวก็เป็นสี่กูหนีดีกว่าว่าจะได้เอาไปมากก็พามพวกเด็ก็ได้ยามขาดไปนึ่งเลยก็ใจเสือพาเข้าไปเลยก็ ได้หมอโลหูขาดปนนวยในงวดก่อนได้ไม่คอนเท่าถ้ไปแล้วออกจากบ้านเลยคนชูวอแบบนี้ชูให้กูยูน้าตัวเนี่ยสรกูเส้นหนีพวกนั้นเอาซะเลยตายดาบนาตายใช้กระตายแล้วเกิดมาตายเพแห้งเน่ะผู้เท่าว่าไปไปหาขอท่านกินแล้วบาดไปหาดบ้านไหนก็ขอท่านเลยไปบ้านไหนก็ขอท่านขอขอกินเมื่ออินเดียขอท่านหลายเลยไปขอไปขอมากขอมากขอไปบะเนี้ยจนไปหอดนาวัดป่าเชิดตะวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าประทับอยู่ภาพพระเนี่ยก็เลยเข่าไปเข่าไปในประตูวัดก็เลยไปโอ้พระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยเลยเลยเรียกภาพเขามาภาพพระเนี้ยก็เลืเข่าไปพระพุทธเจ้าก็ถามภาพไปยังไหนมาจากไหนโอ้ข้าพระองค์ตะกรนก็มีอันจะกินเออมีเงินแต่มา ก, ก็เลยแบงหายุบ ก, ก็เลยบอกประวัติตัวเองให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าโอ้ภาพเดี๋ยวเขาจะให้ค่าถาเขาจะไหน เออหายคาถากาวศูนทรทลอพดสิก้ากาววอสเฮียนบอกเฮียนครับพระพุทธเจ้าหายังเก้ากับผมออฟมัดเออภาพเออเอาถ้ า, าจะงานก็นกนตั้งใจเฮีย น, นและก้าว้าว่อล่ะเฮียนเราก้าวครับพระพุทธเจ้าให้ยว่ยังเก้ากับผมก็เว้าได้มดเออเอากระสันเฮียนพระพุทธเจ้าก็ได้สอนสอนคําคมหายวันออกไปสอนคล้ายๆแบบเป็นคําคมเป็นกวีให้วันออกไปเอเป็นกวีเป็นคํามคมหาย ไปได้สอนเรียบร้อยแล้วกัไปไปหาชุมช่นนะไปหาชุมชนที่บ้านของเฮ้าอนะ่ะก็เลยพอได้เลยก็มาหาคุ้มแล้วก็เลยคุ้มเออจังเข้าพวกเข้าว่าคุ้มนั่นคุ้มนี่เลยเออบ้านนั่นก็ชื่อคุ้มนั่นคุ้มนี่เลยก็มาหาคุ้มเจ้าของนะพอมาห่อผ่อนก็ประกาศแล้วหน่อยเอ้ยเ อ, อพี่น้องลูกหลานทุกคนนะลูกลูกทุกคนลูกสะใภ้ลูกชายมานะเนอะพ่อมาแล้วบานเนี่ พอจะมีคําสังร่ำล่าเขาเข้าวก่อนพอไปด้วยโมโหเออก็เลยไปแต่บัดนี้กลับมาสังมาล า, าลูกล้านพีน่น้องทุกขูทุกคนสกอนบัดนี้จะไปบัดนี้จ ะ, บ, จะบอกลับมาอีกรลดับได้บัดนี้เออขั้นผัวในอยากมากขามากเดี๋ยวสมิมาสังมาลามาสังมาเสียคนจะหลบไปเครือมาแบบผูกคอตอแขนลักษณะทั้งสันแล้วนนไปแต่แตอนนี้ภามเป็นกับปฏิวา่าผูกคอตอแขนเนี่ยเปนกับว่ามาสังมาลา ปาในพี่น้องลูกหลานทาัน้งหลายก็ลุมมาแล้วเนะม้านนางสาวลาวจังพวกเข้ามานางลงพอบอกสิแหละพนันไปนางสาวลาวภาพกันว่าเอ้าฟังไอ้บางคนลูกไส้บางคนก็คิดโอ้ยพอเนี่ยคือจิคนผู้อื่นไม่คงจะเป็นหนีอยู่นั้นพอคงจะบอกให้ไปยืมไปทวงหนีมองหันมองนี้เรืองพอนี่ยอาจจะไปฟังเงื่อนฟังท่องไว้ในดินอาจจะให้เข้าไปคุดเองื่ินคุดท่องก็ได้ เออมากฟังจดจอวลยบ่นั่งสับปลาเพิ่งไหนพ่อพรามณ์เคืนไปก็ยืนกางฟอดลวันไปกางยืนยืนไม่เท่าองพ่ายยามพร้อมมีหมอโลกเขี้ยนแออีกต่างหากลแล้วก็มี่ไม่เท่าพรอพรามก็บอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ำกายย่างย่องจ้องจดจุน จะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์จะวายบุญเอาไม้เท้าปัดบัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยอันนี้คือคาอาอาาออํา่าาาาากกา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่ เพื่อจะต่อไปพ่ายภาคหนาเฮ้าจะได้พึ่งผ้าอาศัยเขาเมื่อเฮ้าเถ่าแก่ชราพอแม่เลี้ยงมากจะซื้อเด้เลี้ยงมากเพื่อจะได้พึ่งผ้าอาศัยเมื่อเฮ้าเถ่าแก่ชราลูกหลานก็จะได้เลี้ยงเฮ้าเพราะมรดกของเฮ้าก็มีให้หน้าเงื่อนสั้นเฮ้าก็มีที่จะแบ่งให้ลูกให้หลับให้เต่ามรดกของเฮ้าเพราะนั้นเลี้ยงลูกมากเพื่อให้ลูกได้ดูแลเฮ้าต่อไปพ่ายภาคหนาอันนี้คือจุดประสงค์ของพอแม่ที่เลี้ยงลูก เยว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคือพ่อแม่นี่ตั้งใจหมายไว้จังสั้นาดไบาดเนี่ยกับบรรยายนึงไม่เท่าระเบิดบดคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ามกายย่างย่องจ้องจดตุนจะไปใส่เนี่พ่อจะล้มไม่เท่ากัยังคำหยาดอยู่เราไปเออมันมืน่นคำว่าไม่เข้าคำหยาดขั้นหมาชื่มากกัดยังเอาไม่เท่าไลาหมาก็ยังได้ เออการง้อควายคือวาการโยกไม่เท่าขึ้น่าไลง้อไรควายง้อควายก็ยังหยาดไม่เท่าแต่เลี้ยงลูกมาทางเก่าคนนี่ยบอมีคุณค่าสําหรับพ่อเลยเนี่ยามวาวเลยโอ้พ่อลูกใช่แต่ยินเท่านั้นแหละหมอบจอคอเลยวะท้อท้อแมนความอีพอเบอออีหลีเออเข้าปลอยปลาเลยอีหลีเออบ่ได้ดูแลพ่อย่างที่ที่พอบอาอีหลีบอให้พ่อทุกกระตาลําบาก เอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมผู้นึงละ่ะผมจะดูแลพอนะต่างคนกับต่างชอยกันวันนี้ลูกเก่าขนหมดนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเข้าคิดบังลุกที่พระพุทธเจ้าเพิ่นให้ข้ามคมหรือว่าให้เผ้าซิทหรือ ว, ว่าสุผ้าซินทะให้พ้่มพ้่มเก่ามันแมนบอกนะเออให้เข้าเบิ้งลุกให้ตรวจตาเบิ้งเจ้าของนะเนอะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟัง เมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เข้าเขาควรจะไปเกือ้อกูลโน้นเอาหงอาหารเพิ่นเป็นอย่งไดรเสือผาเพิ่นเป็นอย่างได ร, อ า, อ, าไรอาหารการบริโภคเป็นอย่างไรไผเป็นผูกทูนแร่พี่น่องผู้ใดเป็นผูกเฝอเพิ่นอยู่เข้าคุ้นจะสนับสนุนจังใดพราะพ่อแม่จะหยุดน้ำตัวของเข้าเด้พอเพิ่นเรียงเข้ามาเนี่ไปถัดขาของเข้าเนี่ร่างกายของเข้านี่ยออกมาจากพอ่อจากแม่เด้พ่อแม่เป็นผู้หามากเข้าจะว่าบาัวใดมอสรกใดจังได มรดกเนี่ยสินนี่ยข่นเฮ้าบรจาคได้มรดกพ่อแม่ก็เสือ้อกพวกขอเจ้าของไอ้มันแล้วแล้วใช่ไัมฮะเออเออเฮ้าบรจาคได้มรดกพ่อแม่บ่ิจาคได้มรดกพ่อแม่บ่ิจาคได้ที่ดินเจ้าของพันมีอยู่ไหนเออมรดกพ่องพ่อแม่ไนในตัวของเฮานะี่ยเพราะดนเมื่อเฮ้าได้มรดกพ่อแม่เน่ยเฮ้าเพิ่งพ่อเบิ่งแม่เนาะลูกหลานเนาะลูกหลานพ่อแม่เป็นพระหานของบุตรทิดาข่านพูดไดเทศถูกกับ พ, พ่อกับแม่น่ะ มีแต่ความเจริญลุงเรื่อ ง, องนะลูกหลานนะหลวงพ่อไดบาวด้ก เ, เก้ากับพ่อเป็นแนวท่าให้แกพวกหลานลูกหลานทั้งหลานเนี่ยได้ฟังได้ศึกษาการพูดการเก้ากับจบเพียงตนเนีและเน่ลูกหลานเนะ่า